สวดมนตะ์เป็นกิจวัตรนะที่พวกเราชาววัดนะทำเป็นประจำวันหนึ่งนี่ก็สองเที่ยวทำไห้นับช่วงที่สวดสั้นๆก่อนฉันแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ทีเดียวนะวัด ต, ต่างๆส่วนใหญ่ก็กมีการสวดมนต์และญาติโยมที่มาวัดนะก็มักจะเห็นภาพการสวดมนต์ จนกระทั่งเชื่อมโยงนะพระกับการสวดมนต์ยิ่งเวลามีพิธีกรรมต่างๆไม่ว่างานศพงานทำบุญเรื่องพระงานทำบุญขึ้นบ้านใหมนะ่ภาพที่เห็นก็คือสวดมนต์แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนะการสวดมนต์ที่ผูกติดกับพระ คนจนไม่น้อยเนี่ยก็มีความเข้าใจไปว่าในการปฏิบัติในทางศาสนาเนี่ยมันก็ต้องหนีไม่พ้นการสวดมนต์ไปด้วยในเวลาพูดถึงการปฏิบัติในทางศาสนาหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีคำถามขึ้นมาว่าในหมู่ญาติโยมนะว่า การสวดมนต์ที่จำเป็นไหมเพราะว่าเวลาพูดถึงธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์นี้ก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งนะของการปฏิบัติธรรมเวลาจะชักชวนใครให้มาสนใจธรรมะก็มักจะมีการชักชวนให้สวดมนต์ ไม่ว่าจะชวนลูกหลานให้มาสนใจเรื่องธรรมะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแนะนาให้ลูกหลานสวดมนต์หรือพอพ่อแม่แก่เท่าแก่ชาราลูกอยากจะให้พ่อแม่ได้มาสนใจธรรมะข้ออาธรรมะสิ่งหนึ่งที่ชักชวนก็คือชวนให้สวดมนต์ ตามโดยการนั่งสมาธิแล้วกัการฟังธรรมอสามอย่างนี้มันกลายเป็นสูตรสําเร็จไปเลยนะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรร ม, มการเป็นสูตรสําเร็จของการปฏิบัตินะในทางพุทธศาสนาคนป่วยนะเวลาคนป่วยเนี่ยอยากจะให้เขาได้มีใจที่สงบหรือว่าได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งนะ สิงที่ผู้คนแนะนําก็เหมือนกันชักชวนให้สวดมนตนั่งสมาธิฟังธรรมจท์ทำเป็นสูตรสําเร็จไปแล้วอย่างที่คําถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เป็นคําถามอยู่ในใจของหลายคนนะว่าการสวดมนต์นี่จําเป็นไหมต้องถามว่าจําเป็นสำหรับอะไรนะถ้าถามว่าจําเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมไหมมันก็ไม่จําเป็นนะ หรือว่าจําเป็นสาหรับชาวพุทธไหมก็คงตอบได้ว่าไม่จําเป็นพอชาวพุทธเราเนี่ยจะได้เชืชื่อเป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งสำคคือการรับไตสราณาคมรับถือพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือการสมาทานศีลอย่างแรกก็ศีลห้าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องสวดมน เป็นประจำถึงจะได้ช่วยเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ใช่จริงๆพระสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาท่านก็ไม่มีการสวดมนต์นะในความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยเช่นสวดมนต์ธรรมบ้าชา ว, วัดเย็นแม้กระทางทุกวันนี้เนี่ยก็มีหลายวัดนะที่ไม่ได้มีการสวดมนต์ในวัดสำนักปฏิบัติเช่นที่เป็นวัดปานี้ ก็ให้พระแต่รูปนะภาวนากันเองจริงบทสวดสวนมนต์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยที่เรียกว่าทำวัดชาวัวดเจ็นเนี่ยมันก็เพิ่งมีนะตั้งเมื่อสมัยรัชการที่สี่มานี่เองรัชการที่สี่ท่านก็คิดบทสวดสวนมนต์ขึ้นมาสําหรับสวดสมัยที่ท่านเป็นท่านบวชพระเพราะนั้นเนี่ยไอการสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยจนเห็นเป็นภาพ เจนหูเจนตาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีมาช้านานอย่างน้อยก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่สาวพฤธกรรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีปฏิบัติกันอย่างนี้กันทุกวัดเพราะนั้นจะบอกว่าถ้าถามว่าส่วนบนจำเป็นไหมจำเป็นสลการเป็นชาวพุทธสรการเป็นาการปฏิบัติธรรมก็บอกว่าไม่จำเป็นแต่ถา ม, มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะ มีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์สวดมนเพื่ออะไรนะสวดมนก็เพื่อฝึกจิตฝึกจิตให้มีความสงบนะฝึกจิตให้มีสติและจะยิ่งดีถ้าเกิดว่าเข้าใจความหมายของบทสวดมนเพื่อทาให้เกิดปัญญา การสวดมนต์เนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจเป็นเนี่ยมันก็จะได้ความสงบนะได้สมาธิแล้วก็เป็นการฝึกสติไปด้วยเพราะว่าสังเกตนะเวลาเราสวดมนต์ได้คล่องเนี่ยขึ้นใจเนี่ยยิ่งสวนกันหลายหลคนนะบางทีใจมันลอยง่ายปากก็ว่าไปว่าไปตามหมู่คณะ ซึ่งถ้าต่างจากการสวดคนเดียวนะักสวดคนเดียวนี่ต้องจดจ่อใส่ใจหน่อยเพราะบางทีก็ลึกไม่ออกต่อไม่ติดแต่ถ้าสวดกันหลายคนนี่ใจมันลอยได้ง่ายเพราะว่าแม้จะนึกเรื่องอื่นก็ยังสวดมนต์ตามหมู่คณะได้อย่างพร้อมเพรียงยิ่งสวดมนต์ได้คล่องท่องได้ดี นะมันก็ง่ายนะที่ใจจะหลุดลอยไปปากก็ว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนแล้วคนที่ตั้งใจสวดมน์นะ mm hmm. ก็จะไปปล่อยให้ใจลอยแนะ้ว mm hmm. เาก็จะดึงจิตกลับมา mm hmm. เวลาใจมันลอยก็รู้ทันความคิดที่มันหลุดลอยไปหรือรู้ว่าใจเผลอไปแล้วดึงกลับมา อาการที่ทำอย่างนี้บ่อยๆนี่ก็คือการฝึกสติแต่าบางคนไม่เข้าใจความหมายหรือจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์นะคือสวดไปตามประเพณีเห็นเขาสวดกันก็เห็นเขาสวดกันแล้วตัวเองก็สวดมาตั้งแต่เล็กก็เลยสวดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ความหมายหรือไม่เข้าใจว่าสวดมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความขลังนะ เพราะนั้นเนี่ยแค่แค่ได้สวดก็ถือว่าเกิดสิริมงคลแล้วส่วนใจนี่มันจะหลุดลอยไปไหนนี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วก็สวดแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะั่นคือช่วงเวลาที่สวดมนต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยก็รักษาศีลห้าโดยครบถ้วนนะจะไปฆ่าสัตว์ช่วยก็ทําไม่ได้ จะพูดจากโกหกลักขโมยก็ทําไม่ได้หรือผู้ผิดในการหรือพูดจากโกหกพูดจาสอดเสกก็ทําไม่ได้เพราะว่าปากไม่ว่างไงอยู่การสดมนการกินเหล้าเมายานะหรือไม้แต่อายามุกทั้งหลายเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะว่าทั้งกายและใจก็อยู่กับการสดมนเรื อ, องน้อยกายมันก็ยังสดมนอยู่ มันก็เป็นหลักประกันนะว่าทำให้สีเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฝึกจิตเท่าที่ควรเดี๋ยวพอถ้าสวดไปตามประเพณีมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ว่าเวลาสวดนี่ก็สวดไปปากก็ว่าไปเปลา่ปลาเปๆเปเหมือนนกแก้วโดนขนทองแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจลอยไม่พอนะบางที ใจมันเกิดกิเลสด้วยนะเช่นเกิดความโลภเกิดตัณหาขึ้นมาเพราะขณะที่สวดใจก็นึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจอาจจะนึกถึงแฟนอาจจะนึกถึงของกินอาจจะนึกถึงสิ่งที่อยากได้แม้จะสวดนะสิ่งที่เป็นพุทธภาษิตแต่ว่าใจนี่กลับเกิดกิเลสนะ เกิดความโลภเกิดตัณหาหรือบางทีเกิดความทุกข์นะเกิดความหม่นหมองคนนึกถึงลูกที่กําลังเจ็บป่วยอยู่นึกถึงพ่อแม่ที่กําลังอยู่ในโรงพยาบาลนึกถึงคนที่เป็นห่วงเป็นใยปากก็ว่าไปแต่ใจนี่หม่นหมองเพราะว่าไปนึกถึงสิ่งเหล่านี้ แม้ว่าสิ่งที่ส่วนเนี่ยจะพูดถึงการปล่อยวางยอย่างเช่นบอกเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอ้อนะการแบบถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสละทิ้งของหนักลงเสียเป็นความสุขเนี่สวดบทพาราหาเวปัญจขันทานสวดไปแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยวางเลยมันกับแบกนะแบกเรื่องราวในอดีตที่ทำให้ ขุ่นมัวหรือแบบความวิตกกังวลพอจิตปรุงแต่งไปถึงเรื่องที่อยู่นอกตัวหรือบางทีกเกิดโทสะนะนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเรานึกถึงคนที่กลั่นแกล้งเราทั้งที่สวดเนี่ยสวดบทเมตตานะเช่นกรณีเมตตาสูตรเนี่ยที่ท่านพูะเจ้า สอนให้มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตร์นะแต่ว่าจิตใจนี่ของผู้สวดนี่กลับมีความหงุดหงิดนะกลับมีความโกรธเคืองนะงนี่มันก็จะประโยชน์น้อยนะมันมีพูหญิงคนหนึ่งนะเป็นชาวจีนคนจีนก็นิยมสวดนะบทสรรเสริญพุทธคุณ แล้วก็บทที่นิยมมากก็เป็นการเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าเช่นพระมิตราพระนะมหาญาณนี่ก็จะสวดนะเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าในลักษณะต่างๆกันนะอมิตราพระบ้างนะหรือว่าเนมบุตรสุก็คือมิตราพระนะนะี่แหละและอย่งชาวจริงนี้แกก็เป็นคนที่ศรัทธามากนะวันหนึ่งในสวดสองเวลา จะสวดแต่ละครั้งนี่ก่อนนานทีเดียววันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังสวดอยู่สวดไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาหาเพื่อนบ้านมีธุระนะเห็นบ้านปิดอยู่ก็เลยเรียกนะคุณมาคุณมาอิ่างนั้นเนี่ยสวดมนต์อยู่นะระหว่างที่สวดก็ได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนบ้านนะ แล้วเพื่อนก็ไม่ได้เรียกครั้งเดียวก็เรียกสองสครั้งทีแรกก็ไม่ท้ไหลายล่แต่พอได้ยินสองสาครั้งฉีขึ้นก็เริ่มเกิดความห ง, งุดหนะงิดนะหงุดหงิดเพราะอะไรนะเพราะว่ามารบกวนการสวดมนต์เรื่องสวดไปไม่สนใจเสียงหรือว่าไม่คิดที่จะไปคนละ้องแวะกับเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านก็เรียกอยู่นั่นแหละนะ คุณมาคุณมานะตะโกนเรียกเลยังวนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนบ้านถี่ขึ้นถี่ขึ้นก็จากความก็กลายเป็นความฉุนเฉีวนะแล้วกลายเป็นความโกรธท้ายต้องเลิกเลยนะเลิกสวดสวดต่อไม่ได้แล้วก็ตรงไปที่ประตูเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็ตะค อ, อกใส่เลยนะตะค อ, อกใส่เพื่อนบ้าน เรียกฉันทำไมนะมีอะไรเอรอไม่รู้จักเกลียกเกงใจกันบ้างนะไม่รู้ว่าฉันกำลังสวดมนต์อยู่หัวเพื่อนบ้านนี่พอเห็นอาการกลายเกลียวของคุณหมายก็ตกใจเลยนะแค่ว่าขอโทษขอโพยไม่ได้คิดจะมารบกวนเพื่อนมีเรื่องด่วนนะขอโทษเสร็จแกก็พูดขึ้นมานะก่อนที่จะลากลับว่าเนี่ยนี่ขนาด ผมเอ่ยชื่อคุณหมาเพียงไม่กี่ครั้งนี่คุณหมานี่ยังโกรธขนาดนี้แล้วคุณหมาเอ่ยนามของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นร้อยร้อยพันพันครั้งนี่พระองค์จะไม่สุขอะไรเลยเหรอเนี่ยคุณหมานี่แกอึ้งเลยนะในส่วนมนต์เนี่ยนะถ้าส่วนมนต์เป็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องรู้จักระงับโทสะได้ จะมีเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงคนอย่างเดียวเสียงหมาเสียงไรถ้าว่าส่วนมนต์เป็นส่วนมนต์ถูวิธีเนี่ยนะมันก็ปล่อยวางได้หรือว่ารู้จักรักษาใจให้สงบ ย, งยิ่งเอ่ยนามของพระพุทธเจ้านึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ก็ต้องรู้จักนะมีเมตตาต่อต้นเสียงที่มันดังมากระทบหูแต่นี่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายการสวดมนต์ ไม่เข้าใจว่าควรจะวางจิตวางใจอย่างไรสวดไปก็โกรธไปสวดไปก็บน่นกดด่นด่าคนที่มารบกวนส่งเสริมรบกวนนะทั้งที่สิ่งที่เอ่ยมาสิ่งที่เอ่ยนะสิ่งที่เปล่งออกมานี่ล้วนแต่เป็นการสารเสริญคุณของพระเจ้าหรือการแสดงความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ว่าจิตใจนี่กลับเต็มไปด้วยความหงุดหงิดความโมโห อันนี้เราสวมดมนต์ไม่เป็นนะวางจิตไม่ถูกแล้วไม่ใช่แค่ความโกรธอย่างเดียวนะความขุนัวความวิตกกังวลมันก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยหรือรู้จักนะเอาธรรมะเอาสติเอาสมาธิมาจะเรว่ามาปัดเป่านะความหนัก อ, อกหนักใจหรือชำรัใจให้หายมนหมองมันต้องวางใจแบบนี้นะ ส่วลบรจต้องเป็นกุศลมันไม่ใช่ว่าสวดไปใจก็หงุดหงิดรุ่มร้อนหรือว่าสวดไปปากว่าไปใจก็ด่าไปด่าคนที่มารบกวนแต่ส่วนนี้เนี่ยมันเรียกว่าสวดแบบเรียกว่าศัก์แต่ว่าสวด น, นะหรือว่าทําไปตามประเพณีทําไปตามรูปแบบแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไร พดถการสวดมนต์เนคนเราก็สวดด้วยหลายเหตุผลนะนะบางคนสวดเพราะศรัทธาบางคนสวดเพื่อเอาความศักดิ์สิทธิ์เอาเอาความขลังหวังสิริมงคลมาช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายแต่บางคนก็สวดเพราะว่าเหตุผลอื่นนะก็มีนะที่สวดเพราะความโลภนะไม่ได้สวดเพราะศรัทธาเลยเลย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อสัก2องรก้กว่าปีก่อนเนี่ยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อท่านฮากกอินท่านก็เป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะและท่านก็เป็นพระที่มีอุบายในการสอนคนมีคราวหนึ่งลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งมาหาแล้วก็ปรึกษาว่าพ่อเขาเนี่ย เป็นเจ้าของร้านเจ้าของโรงจำนำพ่อก็แก่แล้วลูกก็อยากให้พ่อนี่ได้มาสนใจธรรมะบ้างชักชวนพ่อให้เข้าวัดหรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมแต่พ่อก็บายเบี่ยงนะพ่อบอกฉันไม่มีเวลาฉันต้องทำงานหาเงินไม่มีเวลาแม้กระทั่งสวดมนต์เอ่ยนาม พระพุทธเจ้าแม้เพียงช่วงเวลาไม่นานสามสีนะ่นาทีก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาลูกก็เลยมาปรึกษาท่านหาคุณว่าจะทำยังไงท่านหาคุยอิงก็ร่้ว่เนี่ยเจ้าของโรงจำนำเนี่ยเป็นคนตันหนีนะเห็นแก่งเงินยังไไม่ได้สนใจเรื่องาศาสนาะไรหรอกนะสนใจแต่เรื่องเงินนะก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยบอกงันไปบอกพ่อนะบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ย จ้างสวดนะถ้าเอ่ยถ้าสวดหนึ่งจบได้หนึ่งอีแปะแล้วจบหนึ่งก็สั้นๆนะสวนมนี้สั้นๆนะเพราะของมหายาณนี่สวดมนั้สั้นอยู่แล้วอย่างเช่นอของนิกายนึงในญี่ปุ่นก็ว่าเนะโมเมียโฮเรงเกเกียว ถ้าเป็นที่แบกก็โอมาณีปัเมหุมโอมานีปัตเมหุมสั้นๆนีน่จบหนึ่งให้หนึ่งอีแปะนะบอกพ่อเลยนะพ่อพอรูปแบบนี้เข้าโอยเอาเลยนะตะคุบเลยไอความข้อเสนอนี้ก็ส่วนมน์ใหญ่เลยนะส่วนมน์ไปด้วยก็นับไปด้วยกี่จบนะพอครบวันผ่านไปหนึ่งวันก็ มาเรียกเก็บเงินจากท่านอาจารย์ฮา ก, กุยนะท่านอาจารย์ฮา ก, กุให้นะสวดสองร้อจบ ก, ก็ไปเลยสองรอีก8วันที่2ก็ทำอีกวันที่สก็ทำอีกวันที่สี่ก็ทำอีกแต่พอสวดถึงวันที่7นีบอกว่ า, าเจ้าของโรงจำนำแกสวดจนเพลินนะสวดจนเพลินเพราะมีสมาธิมีความสงบลืมนับไปเลยนะลืมนับเลยว่าสวดมนต์ได้กี่จบ แกเป็นคนอย่างนั้นก็เป็นคนซื่อนะแกก็ไม่เมื่อจําเมื่อจำจานวนจบไม่ได้ก็ไม่มาเรียกเงินแต่ว่าตอนหลังก็กลายเป็นว่าขอสวดนขอสวดมนต์โดยที่ไม่ไม่คิดเงินขอสวดฟรีเพราะว่าสวดแล้วใจสงบตอนหลังก็กลายเป็นคนที่มีใจใฝ่ในการสวดมนต์แล้วก็กลายเป็นผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นผู้ที่ อ, อุปธรรมนะ วัดของท่านหากุอินก็กลายไปว่าความปรารถนาของลูกที่อยาให้พ่อนี่มาสนใจธรร ม, มานี่สำลิดผลพระ อ, อุบาลท่านหากุอินส่วนแบบนี้นะแม้จะสวดด้วยกิเลสนะสวดด้วยตัณหาคืออยากได้ค่าจ้างนะแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยกับเกิดผลดีคือเกิดความสงบในจิตใจและเกิดศรัทธาประสาธะในพระพุทธศาสนา แบบนี้เนี่ยธรรมะว่ามันดีกว่านะดีกว่าการสวดของคุณหมานะคุณหมาแคสวดไปนี่อาจจะสวดด้วยด้วยความศรัทธาแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยนะสวดไปก็จิตใจที่มีความโลภอยู่ยังจะมีความโกรธอยู่ใครมาพูดใครมาส่งเสียงดังก็โมโหงุดหงิดในฐาที่เจ้าของหลงจํานําเนี่ย แม้จะไม่มีศรัทธาแต่สวดเพื่อหวังนะผลตอบแทนแต่ว่าพอสวดไปสวดไปเนี่ยใจสงบแบบนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันการสวดเนี่ยมันสิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องเข้าใจความหมายแล้วก็วางใจให้ถูกอย่าทำตามรูปแบบคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ย เป็นเน้นที่รูปแบบมากกว่าตัวเนื้อหาสาระและมันไม่ใช่เฉาการสวดมนันะ์นแล้ทงการปฏิบัติธรรมเนี่ยจำนวนมากเลยก็เป็นเน้นที่รูปแบบนะเช่นเวลาพูดถึงการนั่งสมาพูดถึงการทาสมาธิหรือการฝึกสติก็นึกถึงการหลับตาตามลมหายใจการนั่งนิ่ง ก็คิดได้เพียงเท่านี้หรือถ้ามาพึงการเจริญสติหลายคนก็นึกถึงการสร้างจังหวะเดินจงกลมแล้วก็เวลาจะเจริญสติก็นึกถึงแต่เรื่องการยกมือสร้างจังหวะทขณะที่ไอ้การยกมือสร้างจังหวะนี่มันก็เป็นแค่รูปแบบนะถ้าจับเนื้อหาสาระได้หรือวางใจถูกเนี่ยไม่ต้องยกมือก็ได้นะครึ่งนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมา หรือแม้กระทั่งเวลาทากิจต่างๆที่มันมีการใช้มือมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำถูฟันกินข้าวซักผ้าทำครัวหั่นผักมันก็เป็นการปฏิบัติได้นะแต่หลายคนไม่เข้าใจนะเวลาจะเจริญสตินะเอะอะอะไรก็จะยกมืออย่างเดียวซึ่งมันทำให้บางที เกิดความเข้าใจผิดเช่นอยู่บนรถเมย์มก็ยกมือสร้างจังหวะเพราะคิว่าเนี่ยคือการเจริญสติไอ้ความตั้งใจดีนะคืออยากจะเจริญสติในขณะที่อยู่บนรถเมย์ไม่ปล่อยเวลาสูญเปล่าหรือไม่ปยใจให้ลอยแต่ไม่เข้าใจว่ามันไม่ต้องยกมือก็ได้แค่ขยับนิ้วคลึงนิ้วมันก็เป็นการสามารถจะเป็นอุบายในการเจริญสติได้ หรือตามลมหายใจตามลมหายใจแบบรู้สึกตัวเบาๆนะคราวนี้พอคนเราเนี่ยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติแบบกิรียาศสิละพัตตปรามาสสิละพัตตปรามาสก็คือว่าการยึดติดในรูปแบบพิธีกรรมหรือกรรมวิธีซึ่งรวมไปถึงศีลด้วยนะ โดยที่ไม่เข้าใจความหมายเช่นเวลาการสมาทานศีลเนี่ยเวลาจะสมาทานศีลเนี่ยมันต้องจะต้องก็มีของก็จะต้องมีการมีพระมาให้ศีลนะจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมในวัดถึงจะเรียกเป็นการสมาทานศีลได้ถ้าไม่มีพระให้ศีลถ้าอยู่ที่บ้านทำไม่ได้นะจริงไม่ใช่เลย หรือว่า ก, การอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงรับเนี่ยหลายคนก็จะมันต้องมีการกรวดน้ําต้องมีที่หยาดน้ําแล้วต้องมีพระมาสวดนะและต้องสวดบทยะถาสัพพีนะถ้าสวดบทอื่นไม่ได้หรือถ้าไม่มีพระสวดนี่ก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไม่ได้อันนี้ไม่เข้าใจนะนี่เรียกว่าเปพระติดในรูปแบบไม่เข้าใจความหมาย นี่ก็จะเป็นศิลปศิลป์ตาปรามาสแบบหยับหยาบถึงตรงข้ามกับการปฏิบัติให้มันถูกต้องการปฏิบัตอย่างถูกต้องตามหลักการหรือตามวัตถุประสงค์นี่ท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัตินะอย่างถูกทำนะบางทีท่านก็แปลว่าปฏิบัติทำน้อยคล้อยทำใหญ่หรือพูดให้มันเข้าใจง่ายคือปฏิบัติให้ถูกหลักนะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ง้ถ้าเราเข้าใจนะี่การปฏิบัติโดยเพราะเรื่องการฝึกสติเราก็จะรู้ว่าเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นแต่มันช่วยให้เวลาจะให้ลูกหลานมาสนใจธรรมะก็ไม่ใช่ว้ต้องมาให้เขาสวดมนต์หรือนั่งหลับตาทาสมาธิให้เขาฝึกสติได้จากการดาเนินการทำกิจในชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าหาวางจิตวางใจเป็นเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นการเจริญสติ ปฏิบัติธรรมอย่างที่ท้าเจ้าพุทธาวันเนี่ยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอ่างั้นอ่าก็ให้เข้าใจถูกไนงะ